สัสพุทสนะโมตัสสะภควะโตอรหะโดสัมมาสัมพุทธสสะโมตัสสะภควะโดอรหะโตสัมมาสัมพุทธสส ะ, ข, ะ, สมมสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัดสรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง โยธาตันหังปหันทวานาอนาคา ร, รุปริปเจตันหาภาวะปริกีนางตำหางปรมิรพรามานังผู้ใดละตันหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเสียได้ เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วว่าเป็นพรามณบัด น, นี้อตรมาภาพจะได้นำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ท่านสาธุชนได้สะดับจับฟังเพื่อก่อให้เกิดปัญญาความรู้ในพระธรรมคำสอนอันจะนำประโยชน์คือการกำจัด กิเลสมีมีความเห็นผิดเป็นต้นให้หมดไปจากจิตใจและยังความสุขในการปฏิบัติกรรมดีเพื่อให้กรรมดีนั้นได้ส่งผลให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังที่ได้แสดงเรื่องของพระโชติกะเทระ จากขุติกานิกายคาถาธรรมบทยังไม่จบในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของเราชาวพุทธว่าเรามีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือเรื่องของกรรมและผลกรรมว่าเป็นสิ่งมีอานุภาพมีอิทธิพลแก่ชีวิตเรา ความมหัศจรรย์ของบุญความทารุณของบาปเป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในชีวิตของเราเองและชีวิตของผู้อื่นทุกท่านไม่มีใครหนีพ้นอำนาจกรรมทั้งดีทั้งชั่วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระหัน์ทั้งหลายท่านก็เป็นผู้อยู่ในอำนาจของกรรมต้องได้รับผลที่ท่านได้ทำํำ คือการเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผลของกรรมที่ทำให้ท่านได้รับผลอันสูงสุดคืออรหัตผลต่อไปนี้ก็จะต่อเรื่องของพระโชติกะเถระซึ่งแสดงมาถึงก่อนที่ท่านโชติกะจะออกบวชนั้นท่านได้เป็นเศรษฐีที่มหาศาลที่มีทรัพย์สมบัติมหัสจรัร์ยิ่งใหญ่เพราะว่า ท่านมีปราสาทที่พระอินทร์ได้มาเนรมิตรให้เป็นต้นแม้แต่ภรรยาของท่านก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์มนุษย์ในชมพูทวีปแต่เป็นมนุษย์ที่นำมาจากอุตรกุรุทวีปเพราะฉะนั้นบรรดาประชาชนทั้งหลายก็พากันมาเที่ยวชมทรัพย์สมบัติอันเกิดจากผลบุญ ของโชติกะเศรษฐีเมื่อมหาชนมาเที่ยวแล้วก็ได้เอาผ้าอาภร์และทรัพย์ตามที่ตัวเองต้องการไปจากต้นกลับประพฤกที่เกิดขึ้นด้วยบุญของโชติกะเศรษฐีนั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธก็มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรประสาทของโชติกะเศรษฐีนั้นบ้าง เมื่อมหาชนมาอยู่ก็ไม่ได้โอกาสต่อมาเมื่อมนุษย์น้อยลงเพราะว่าถือเอาผ้าและทรัพย์ตามความปรารถนาไปได้แล้วพระราชาจึงตรัสกับบิดาของโชติกะว่าฉันมีความประสงค์จะชมปราสาทของบุตรของท่านบิดาของโชติกะจึงกราบทูลว่าดีแล้วสมุติเทพ แล้วนําความไปบอกแก่บุตรว่าพ่อพระราชามีพระประสงค์จะทอดพระเนตรประสาทของเจ้าโชติกะกล่าวว่าดีแล้วคุณพ่อขอพระองค์เสด็จมาเถิดพระราชาพิมพิสารเสด็จมาถึงที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชาบริพารเป็นอันมากนางทาสีผู้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ที่ปัดกวาดเทอยากเยื่อที่ซุ้มประตูที่หนึ่งก็ได้ยื่นมือให้แด่พระราชา พระราชาทรงละอายเพราะว่าสำคัญผิดว่านี่เป็นภริยาของเศรษฐีก็ไม่กล้าจะจับมือของนางทาตไม่ทรงวางพระหัตถ์ที่แขนของของนางทาตนั้นพระราชาสำคัญผิดเอาว่าทาสีแม้ในซุ้มประตูที่สองสามสี่จนถึงที่เจ็ดก็คิดว่าเป็นภริยาของเศรษฐี จึงไม่ทรงวางพระหัตถ์ที่แขนของทาสีที่ยื่นมาเหล่านั้นอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่านางทาสีนั้นจะต้องเป็นหญิงที่มีรูปร่างสวยงามมีสง่าราศีและก็ต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรณท์ที่มีค่ามากพระราชาจึงเข้าใจผิดไปึ่งจริงๆแล้วพระราชาในขบคพบเห็นบุคคลมาเป็นจำนวนมาก แต่กับนางทาสีของโชติกาไม่เคยเห็นว่าขนาดคนปัดกวาดอยากย่อยเทขยะนี่ยังสวยถึงแค่นี้แล้วภรรยาของท่านเศรษฐีนะ่าจะสวยแค่ไหนก็ไม่กล้าจับนึกว่านี่เป็นภรรยาเศรษฐีทั้งหมดเพราะว่าคนสมัยก่อนเขามีภรรยาหลายๆคนโชติกาเศรษฐีก็มาต้อนรับพระราชาถวายบังคมแล้ว ก็เข้าเฝ้าอยู่เบื้องพระผิดสดางคืออยู่เบื้องหลังแล้วกราบทูลว่ากล้าแต่สมมติเทพขอเชิญเสด็จไปข้างหน้าเถิดเมื่อเสด็จไปข้างหน้าแผ่นดินที่ประดับด้วยแก้วมณีก็คงเป็นเพชรพลอยมรกตราชาแสงแสงของแก้วมณีนั้น เปร่งปลั่งปรากฏเป็นเหมือนกับเหวที่ลึกไปตั้งร้อยชั่วคนพระราชาสำคัญว่าโชติกานี้ขุดบ่อไว้เพื่อต้องการจะจับเรากระมังจึงไม่อาจจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปได้เพราะเห็นบ่อเป็นเป็นเหวนะด้วยความที่แก้วมณีมากมายเหลือเกินโชตุโชติกาเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุิเทพนี่ไม่ใช่บ่อ ขอพระองค์จงเสด็จมาข้างหลังข้าพระองค์แล้วได้เป็นผู้นำเสด็จคือตอนแรกก็ตามหลังพระราชาเพราะพระราชาไม่เดินต้องเดินนำเพราะพระราชากลัวจะตกบ่อกลัวจะตกเขวก็คิดดูแล้วกันว่าบ่อของเพชรพลอยในขนาดไหนนะใหญ่ขนาดไหนนี่เป็นอนุภาพของบุญพระราชาทรงเหยียบพื้นในเวลาที่โชติกะนั้นเหยียบแล้ว เสด็จเที่ยวทอดพระเนตรปราสาทตั้งแต่พื้นชั้นล่างก็โชติกาเศรษฐีนี่ก็ไม่ตันหนีผลบุญนะปกติเศรษฐีบางคนเนี่ยเวลาได้เสวยโภกข้ัพย์อะไรก็ไม่อยากคนอื่นมารู้มาเห็นแต่ว่าโชติกาเศรษฐีไม่ใช่บุคคลเช่นนั้นเชิญเลยท่านทั้งหลายมาดูเถอะนี่อํานาจบุญของเราทําท่านทั้งหลายทําอย่างเราก็จะได้เหมือนกัน ในคราวนั้นพระราชกุมารคือบุตรโอรสของพระเจ้าพิมพิสารชื่อว่าอาชาิศัตรูจับนิ้วมือของพระราชบิดาแล้วเที่ยวไปเที่ยวตามไปนั่นแหละทรงดําริว่าโอ้ทูลกม่อมของเราเป็นอันพานคิดว่าพ่อของเราเนี่ยเป็นคนโง่ซะแล้ว ชื่อว่ากษัริยบดียังอยู่ในปราสาทที่ทําด้วยแก้วเจ็ดประการได้ทูลกระหม่อมพ่อของเรานี่เป็นถึงพระราชายังประทับอยู่ในพระรา ช, ชมณีเทียนที่ทําด้วยไม้บัดนี้เมื่อเราจากเป็นพระราชาแล้วจกไม่ให้กษัริยบดีนี้อยู่ในปราสาทนี้จกไม่ให้อยู่คือจะมายึดเอานั่นเองจะมาอยู่สแทนอาชาติศัตรูเนี่ยก็ โลภมากตั้งกั่เด็กนะไม่อยู่อนุโมทนาในบุญของท่านเสร็จทีเท่าไหร่มาคิดว่าเอพระราชาของเรามีอำนาจแต่ว่าบุญสู้ไม่ได้กลับต้องไปอยู่พระราชมทียนที่ทำด้วยไม้อันนี้เ็เป็นปกติของคนเราไปเห็นทรัพย์สมบัติของใครเขามากก็โลภอยากได้เหมือนกันเว้นไว้แต่ว่าเรามีปัญญาเห็นเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมว่าอ๋ อันนี้มันสมบัติของเขาเขาทาบุญมาไว้ดีก็เป็นสมบัติของเขาเราไม่ได้ทาบุญไว้ดีก็สมบัติของเราก็มีเท่านี้แหละแต่อย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจให้ทำที่ให้ทาบุญถามท่านเจ็ดทีว่าท่านทำบุญไว้อย่างไระถ้าเขาระลึกชาติได้เขาจะจ ะ, จะตอบเราก็ทาและอธิษฐานให้ได้สมบัติอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ต้องไปแย่งเขา ถึงแย่งก็ไม่ได้เพราะว่าบุญเนี่ยโจรไหนๆก็แย่งไม่ได้เมื่อพระราชากำลังเสด็จขึ้นไปสู่พื้นปราสาทชั้นบนนั่นแหละเป็นเวลาเสวยพระกยาหารเช้าพอดีเลยเท้าเธอก็ตัดเรียกเศรษฐีมาแล้วตัดว่ามหาเศรษฐีเราจักบริโภคอาหารเช้าในที่นี้นี่แหละ เศรษฐีกล่าวว่าข้าแต่สมุิเทพข้าพระองค์ก็ทราบอยู่พระกยาหารสำหรับสมุิเทพข้าพระองค์ตระเตรียมไว้แล้วท้าวเธอทรงสงนสานด้วยหม้อน้ำหอม16หม้อก็มาสะผมนะอาบนา้าอาบนา้ำพระาพระราชาอาบนา้าแล้วประทับนั่งบนบัลบลังก์อันเป็นที่นั่งของเศรษฐีนั่นแหละที่เขาตกแต่งไว้ในมนดบ ซึ่งทำด้วยแก้วที่นั่งเนี่ยทาด้วยแก้วไม่ใช่แก้วธรรมดานะแก้วเพชพรพลอยต่างๆครั้งนั้นพวกบุรุษถวายน้าสำหรับล้างพระหัตถ์แด่พะัะเท้าเธอแล้วคดข้าวปลายาดเปียกจากภาชนะทองคำที่มีค่าได้แสนหนึ่งวางไว้ตรงพระพักเอาถาดทองคำหรือว่า จานทองคําซึ่งมีค่าแสนหนึ่งแล้ ว, ลวเอาข้าวปลายาดซึ่งเป็นอาหารอย่างดีของชาวชมพูทวีปเนี่ยเป็นข้าวปลายาดเปียกข้าวหุงด้วยนมวางไว้ตรงพระพระพระาชาเริ่มจะเสวยด้วยด้วยคิดว่านี่เป็นอาหารของเราเสรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพนี่ไม่นี่ไม่ใช่ภาชนะนี่เป็นข้าวปลายาดเปียก พวกคนใช้คดโพชนะคตอาหารใส่ในภาชนะทองคำใบอื่นแล้ววางไว้บนถาดเดิมอันนี้เข้าใจยากภาษาแบบนี้ได้ยินว่าการบริโภคภาชนะด้วยไออุ่นที่พรุ่งขึ้นจากภาชนะข้าวปลายาดเปียกนั้นย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสบายหมายความว่าจะให้บน ร้อนอยู่เสมอก็เอาข้าวปลายาดเปียกๆซึ่งอุดเนี่ยวางไว้ซะก่อนแล้วถึงจะเอาข้าวที่จะกินจริงๆมาวางบนข้าวปลายาดเปียกนะบดข้าวปายาเปียกนั้นเพราะฉะนั้นพระราชาก็เริ่มเสวยโภชนะที่มีรสอร่อยซึ่งสำเร็จจากเขาเอาไอศิลาแรงมาศิลามีไฟลุกแล้วก็มีม็อกข้าวมาด้วยนะภรรยาของท่านเศรษฐีเนี่ย เอามาจากอุตรากรุทวีปและเอาข้าวใสก็หุงหุงก็เป็นอาหารอันวิเศษเลยเพราะฉะนั้นพระราชารับประทานอาหารเหมือนกับอาหารของเทวดาเนี่ยอร่อยมากก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะพอแล้วรับประทานมากเกินไปลําดับนั้นเศรษฐีก็ถวายบังคมเท้าเธอแล้วประคองอัญชลีกราบทูลว่าพอก่อนพระเจ้าค่าเพียงเท่านี้ก็พอพระองค์ไม่สามารถ เพื่อจะบริโภคอาหารให้ยิ่งกว่านี้ไปได้ถ้าบริโภคมากไปก็จะย่อยไม่ได้พระราชาตัดกับเขาว่าข้าพบดีเธอทำความหนักใจหรือจึงพูดถึงอาหารของตนนะก็ <c oughs> คล้ายๆว่าเอเธอกลัว <c oughs> อาหารเธอจะหมดหรื อ, อยังไงนะจึงมาพูดอย่างนี้นะหนักใจนี่ก็คือไม่สบายใจะนะ เศรษฐีกล่าวว่าข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข่าเพราะว่าอาหารเพื่อหมูพลคือมูบริวารของข้าพระองค์ทั้งหมดก็เท่านี้แหละนะก็นี่แหละกินกันไม่ไมไมหมดหรอกที่คดออกมาจากหม้อข้าวของภรรยาส่านเศฐีแล้วก็กินกันทั้งประเทศนะทั้งหมดมีมาเท่าไหร่กินได้หมดไม่ต้องไปตักเพิ่มที่ไหนแกงก็อันนี้ ก็แต่ว่าข้าพระองค์กลัวต่อความเสื่อมยศคือจะพระราชาจะถูกเขาหาว่าบริโภคจุว่าไงกันง่ายๆอย่างนั้นนะพระราชาก็สงสัยยังไม่รู้เรื่องอีกว่ า, วาเพราะเหตุอะไรนะเพราะเหตุอะไรจะเสื่อมยศได้เพราะเหตุอะไรเศรษฐีขาวว่าถ้าว่ามีความอึดอัดแห่งพระกายจะเกิดมีแก่สมมุติเท พ, พเจ้า สมุทเทพแล้วไซข้าพระองค์ก็กลัวต่อคำเขาตำหนิว่าเมื่อวานนี้พระราชาเสวย อ, อาหารในเรือนของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีคงทำอะไรผิดปกติถวายเป็นแน่พระเจ้าข้านะก็กลัวใครก็จะตำหนิได้ว่าพระราชากลับไปแล้วไปนอนป่วยไม่สบายอาหารไม่ย่อยเขาก็จะมาตำหนิท่านเศรษฐีเพราะนั้นท่านเศรษฐีเนี่ยฉลาดจึงบอกว่าพอแค่นี้พอแล้ว เราก็ลองคิดดูแล้วกันว่าอาหารที่มันอร่อยที่สุดเราไม่เคยกินเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอเข้าะต้องฟาดกันใหญ่แน่รับรองอันนะได้โลภะมันเกิดมากอะตมันลืมหมดทีนี้ทีนี้ทเท่านเตฐีเนี่ยท่านก็กลัวเขาจะตําหนิจีเตียนท่านหรือกลัวพระราชาเนี่ยจะถูกตําหนินั่นเองว่าไปกินท่านจุ ก, กลับมาเลยนอนป่วยออกว่าราชการไม่ได้ว่าอย่างนั้นพระราชา เมื่อรู้เหตุผลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงนำอาหารไปจงนำน้ำมาในเวลาเสร็จพัฒกิจของพระราชาราชบริพานทั้งหมดก็บริโภคอาหารนั้นนั่นแหละคือก็ตักให้เอาใครอยากกินก็มากินไม่มีหมดอะอาหารนั้นนะ น, นะนะน่าจะมีมาเยอะๆในเมืองไทยเนี่ยอาหารแบบนี้โดยเฉพาะตอนน้ำท่วมเนี่ยข้าวสารจะแพงใช่ไหมจะมีอย่างนี้ข้าวสารไมร่กล้าแพง พระราชาประทับนั่งสนทนาปรารภถึงความสุขนคนเรามันไม่มีเรื่องอะไรดีมากเท่ากับพูดถึงเรื่องสุขในการกินในการดูในการฟังในการได้เที่ยวดูการลเล่นอะไรอย่างเนี้นะก็เลยตัดเรียกเศรษฐีมาถามว่าภรรยาของท่านในบ้านนี้ไม่มีเลยสามเขาเพิ่งมาถามถึงภรรยาวะเนี่ยไม่มีเลยไม่ออกมาเลยตะกี้ไปเข้าใจผิดสักทีหนึ่งแล้วนะว่า นางทาสีของท่านเศรษฐีเป็นภรรยาท่านเศธธเรษฐีบอกว่ามีพระเจ้าข้านางอยู่ที่ไหนนางนั่งอยู่ในห้องอันมีสิริสิรินี่ก็ก็หมายถึงว่าต่าง่างามนะยังไม่ทราบกล้าวว่าสมุติเทพสเสด็จมาพระราชาพร้อมด้วยบรราชบรีพานนั้นสเสด็จมาแล้วแต่เช้าตรู่ก็จริง ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่รู้ว่าพระราชาเสด็จมาท่านเศรษฐีรู้ว่าพระราชามีพระประสงค์จะทอดพระเนตรภริยาของเราจึงนำไปสู่ที่อยู่ของนางแล้วบอกว่าพระราชาเสด็จมาแล้วการที่หล่อนเฝ้าพระราชาไม่สมควรหรือนางนอนอยู่นั่นแหละกล่าวว่านายชื่อว่าพระราชานั่นเป็นอย่างไรไม่รู้จักพระราชานี่เป็นยังไงนะพระราชาเนี่ย เพราะว่านางอยู่ในเมืองของนางเนี่ยนางนี่เมืองคนเมืองนั้นเนี่ยนะก็ไม่มีราชาราชาอะไรหรอกเขก็รักษาศีลห้าอายุตั้งห้าร้อยปีแล้วเขาไม่ต้องทํางานอะไรอะ่ะศีลห้าก็บริสุทธิ์มีลูกก็วางไว้ลูกไม่มีตายอะ่ะเดี๋ยวคนก็เอานิ้วมือใส่ให้ก็มีน้านมไหลออกมาเพราะคนมีบุญมาเกิดทั้งนั้นอาหารก็ไม่ต้องไปหุงหาอาหารทำมาท ำ, ทำมาหากินอะไรบ้านก็เกิดต้นไม้ก็เกิดเป็นบ้าน อยู่กันอย่างสบายเพราะฉะนั้นพระราชาไม่จําเป็นต้องมีพระราชานี่จําเป็นต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนมันแย่งกันมันแย่งที่ทํากินกันเนี่ยแหละแย่งที่ินที่อยู่แย่งกู้สันนิวาสแย่งอํานาจยศถาพระราชาต้องมาตัดสินหรือต้องมาคุ้มครองป้องกันเอาไว้พระราชาแปลว่าผู้ทําความยินดีให้กับประชาชนคือมันทะเลาะกันแล้วไม่มีใครจะมาตัดสินได้พระราชาต้องมาตัดสินนึก พวกอื่นมั น, ม, นมาเบียดเบียนด้วยความโลภจะมาแย่งที่ของเราเอา้าวพระราชาคุณเป็นพระราชานะคุณต้องไปปราบนี่มันเป็นเรื่องอย่างนี้นะแต่เรื่องจากว่าภรรยาของท่านเศรษฐีเนี่ยไม่เคยรู้จักพระราชาก็เลยถามว่าพระราชานนัเป็นยังไงคือแปลความหมายไม่ออกถ้าถ้าพูดแบบคนสมัยนี้นะ ก็คือยังไม่เห็นเลยว่าพระราชาเนี่ยคือบุคคลเช่นไรเพราะนั้นท่านเศรษฐีจึงบอกว่าคนที่เป็นใหญ่กว่าพวกเราชื่อพระราชานท่านเศรษฐีตอบตรงเป๊ะเลยคือคนที่มีอำนาจเหนือชีวิตเราเหนือทรัพย์วัตถุสิ่งของของเราเนี่ยชื่อว่าพระราชาเป็นอย่างนั้นเมื่อได้ทราบความอย่างนี้ ภรรยาของท่านเศรษฐีไม่สบายใจนะพูดว่าพวกเรานี่ยังมีบุคคลผู้เป็นใหญ่กว่าเราอีกแสดงว่าเราทำบุญไว้ไม่ดีดูสินางเห็นความมหัจัรยันของบุญนะว่าแม้บุญเราเท่านี้นะ้วยังมีคนเป็นใหญ่กว่าเราอีกหรือก็แสดงว่าบุญของเราเนี่ยทาไว้ยังไม่ดีพอ พวกเราคือเราสองคนสองคนกับภรรมาทําบุญกรรมทั้งหลายด้วยไม่มีศรัทธานะไม่เชื่อในกรรมในผลกรรมจึงได้สมบัติที่เกิดแล้วในที่ที่ผู้อื่นเขาเป็นใหญ่ทานจักเป็นของที่เราถวายโดยเราไม่เชื่อผลของกรรมเป็นแน่นี่จึงเป็นผลที่เกิดอย่างนี้ จึงมีคนมาใหญ่กว่าเราอีกคือเขาทำบุญด้วยศรัท ธ, ธาเขาเลยมาใหญ่กว่าเราเขาเชื่อก่อนจะทำในเขาเชื่อทานนี้มีผลมีผลอะไรให้กษัตริย์ก็ร้อยร้อยอัตรภาพอายุวัณนะสุขะภะละให้ผลไปใหนพบต่างๆได้ถึงร้อยแล้วก็ให้แกคนให้แกอะไรก็มีผลทั้งนั้นนะจะเชื่ออย่างนี้ว่ากรรมนี้มีผลการให้ทานนี้มีผลแล้วให้แล้วอธิษฐานเลยว่า เราเนี่ยเกิดในภพใดขอให้ใครอย่ามาใหญ่กว่าเราสมบัติของเราต้องใหญ่ที่สุดนะเราต้องอธิษฐานอย่างนี้นะนี่แสดงว่าเราไม่อธิษฐานไว้กม็มีคนเลี้ยงมาใหญ่กับเราอีกใจ่ไหมพวกเราทั้งหลาย ถ, ถึงทันที่ฟังอยู่นี้ด้วยก็มีคนมาใหญ่กับเราได้อีกใช่ไหมในบ้านเราก็ต้องมีคนใหญ่กว่าเราในเมืองก็จะมีคนในโลกนี้ก็มีคนใหญ่กว่าเราได้อีก เพราะนั้นเราทำบุญแล้วก็ถ้าเชื่อว่าบุญก็ให้ผลได้แน่นอนทําด้วยศรัทธาก่อนทํามีศรัทธาขณะทําก็ศรัทธาหลังทําก็ศรัทธาและอธิษฐานบุญเนี่ยนางน้อยใจแล้วโอ้โหยังมีคนใหญ่กว่าเราได้อีกเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผลของทานที่สองคนทําไม่ไม่ดีเจ้ะจะไม่หวังที่หวังผล แต่เขาหวังด้วยศรัท ธ, ธาแล้วก็หวังด้วยความโลภศรัท ธ, ธาเขาก็เชื่อว่าผลของทานนั้นจะต้องมีแล้วเขาก็ปรารถนาไปเลยนี่เป็นเรื่องปกติของคนเป็นเรื่องปกติของคนเป็นเพราะเขารู้เรื่องกรรมเรื่องผลกรรมธรรมดิจิมันอยู่ที่ว่าคุณรู้ไหมว่าในเหตุนี้ให้ผลเหตุนี้ให้ผลคุณรู้ไหมเมื่อคุณรู้คุณก็ทําไปเหมือนคุณโยมทํางานเนี่ยคุณโยมหวังว่าจะได้เงินเดือนไหม หวังหรือเปล่าเชื่อว่าจะได้ไหมเชื่อนะแต่ว่านั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หมายความว่าไม่ได้เกี่ยวกับการให้ทานแต่เกี่ยวกับการการกระทําของเราอะเนี่ยเราไปทํางานนี่สาเร็จแล้วเราก็จะต้องได้เงินเข้าใจไหมได้เงินตอบแทนมาแต่เนี่ยเขาพูดว่าเราเนี่ยทำโดยไม่มีศรัทธานะจึงได้บุญที่มันผลบุญมันยังไม่ยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าเราทําด้วยศรัทธาบริบูรณ์แล้วเนี่ยจะไม่มีใครมาใหญ่กับเรา นะก็ถามว่าหวังหวังผลไม่หวังอาตมาก็าหวังนะใครๆก็ต้องหวังดังนั้นเนะเพราะยังมีความโลภอยู่จะบอกว่าไม่หวังเลยฉันทาบุญไม่หวังเลยเนี่ยคงจะมีบุคคลเดียวคนนั้นคือพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่มีความโลภเพราะนั้นบุญที่ท่านทำก็เลยไม่มีผลนะบุญที่ท่านทำก็เลยไม่มีผลเป็นเพียงกิริยาไป ก่อนจะทำบุญเนี่ยคนบางคนก็คิดหวังเสีก่อนแล้วค่อยทำนะบางคนนะคือคิดด้วยความโลภเสีก่อนโอ้เนี่ยเพราะเราจนนะเราไม่อยากจะจนอีกก็เชื่อว่าบุญช่วยเราได้ก็ทำบุญหรืออยากหวังอย่างอื่นๆ อ, อีกซึ่งซึ่งห้าบไม่ได้ความโลภนะความโลภมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องหวังต้องปรารถนาแต่ว่า เมื่อความโลภเนี่ยมันมาหวังลงในปัญญาในศรัทธามันก็สําเร็จผลถ้าไปหวังโดยกรรมชั่วก็ไม่สําเร็จเข้าใจไหมอย่างเช่นอาชาติจัตรูเนี่ยเอ๊เดี๋ยวเราจะต้องจัดการนะใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องจัดการมาเอาทรัพย์ของโชติกะเนี่ยให้เป็นของเราซะจะไล่โชติกะเศรษฐีออกไปเราจะใช้อํานาจของเราใช้กองทัพของเรานี่อันนี้เราผิดหลัก ผิดหลักเพราะว่าบุญของใครกับของคนนั้นไม่มีทางไปแย่งบุญกันได้นะไม่มีทางไปแย่งผลบุญอะไรกันได้แต่ว่าเขาไม่รู้อาชาติศัตรูไม่รู้ว่าคิดจะมาแย่งนี่ความโลภมันมันทำให้เราทำบุญก็ได้ถ้าเรามีปัญญาทำให้เราทำบาปก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาคือไปใช้อโมหะเข้าไปอีกใช้ความไม่รู้ความจริงเข้าไปอีกก็ดีเราจะแย่งมันเพราะนั้นเนี่ยก็น่าสงสารนะ น่าสงสารตัวเราที่มีความโลภมเนี่ยแต่อย่าไปอย่าไปสงสารความโลภมันนะความโลภไม่น่าสงสารนะคือสงสารว่ามาไอเราในถูกความโลภมันกดขี่ให้ทำชั่วเยอะแยะเลยทุกอย่างอะ่ะคือมันไม่มานึกเรื่องบุญไงไอความโลภเนี่ยมันไม่มารู้เรื่องบุญถ้ามาันรา้เรื่องบุญนะมันก็จบแล้วก็ทำบุญไปอย่างเช่นเราอยากจะมีรถยนต์ขี่ใช่ไหมคุณโยมก็ทาบุญเอาสิ สะสมบณ์ไปแล้วก็อธิษฐานบุญเอาชาตินี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรก็ต้องรอไปถึงชาติหน้าก็ควรจะรอนะควรจะรอนะควรจะควรจะเชื่ออย่างนี้แล้วก็ทําไปเพราะฉะนั้นภรรยาจึงบอกว่านายบัด น, นี้ฉันจะทํำยังไงคือในเมื่อเป็นเป็นธาตุแล้วคือเป็นผู้อยู่ใต้หน้ากันแล้วล่ะแล้วฉันจะต้องทํำยังไงตอนแรกก็นอนอยู่นะ นอนไม่ได้แล้วสามีบอกว่าเธอจงถือเอาพัดก้านตาลมาพัดให้พระราชาเถอะต้องบำรุงรับใช้พระราชาแล้วนี่บุญเราน้อยกว่าท่านนะนานถือเอาพัดก้านตาลมาถวายพัดพระราชาอยู่ลมกลิ่นตัวไม่ใช่กลิ่นตัวกินพระภูษา ที่โพกของพระราชาโพกศรีรษะของพระราชาคือพระพัดเนลมมันก็ไปกระทบกับเสื้อผ้าของพระราชากลิ่นของพระภูษานั้นก็ออกมากระทบในตาของนางกระทบคือภูษาของพระราชาเนี่ยสะสมดูดซึมเอาไอ้ควันไฟเอาไว้เพราะว่าในกุฏิในพระราชวังของพระราชากลางคืนก็ต้องจุดไฟ จุดไฟไม่มีไฟฟ้าแบบนี้นะก็มีควันไฟขึ้นควันไฟก็ไปติดตามผ้าของพระราชาเมื่อไปพัดเข้าก็ปลิวมาเข้าลูกตาของนางนางก็เลยน้ำตาไหลน้ำตาของนางไหลออกมาเพราะว่ า, าคุณยมลองก็ได้เอาควันไฟมาลมลูกตาดูเลือดน้าตาจะไหลไหพระราชาเห็นเข้าก็ถามเศรษฐีว่ามหาเศรษฐี ธรรมดาผู้หญิงมีความรู้น้อยที่ดูถูกผู้หญิงก็บอกนะบอก่าธรรมดาหรือปกติผู้หญิงมีความรู้น้อยฉลอยจะร้องไห้เพราะกลัวว่าพระราชาจะมายึดเอาสมบัติของสามีของเราท่านจงปลอบนางเถิดว่าเราไม่มีความต้องการด้วยสมบัติของท่านหรอกนะ น, นะึกว่าเขาจะเสียดายกลัวว่าจะโดนยึดทรัพย์ไป เพราะว่าพระราชาสมัยนั้นมีอำนาจจริงๆไม่ต้องออกกฎหมายเว้นคืนนะเอาเลยนะยึดเอาได้เลยท่านเศรษฐีบอกว่าถ้าแต่สมมติเทพนางไม่ได้ร้องไห้คือไอ้น้ำตาไหลกับไอ้ร้องไห้คนละอย่างไอ้ร้องไห้เนี่ยมันต้องเสียใจโทสะมันเกิดโทมนัสมันเกิดร้องหไห้น้ําตาไหลเนี่ยมันอะไรมันาเข้าตาเราแล้วเราล้ําตาไหลพระราชาก็สงสัยว่าอา้าวเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันเรื่องอะไรกัน ท่านเศรษฐีกล่าวว่าน้ำตาของนางไหลออกมาแล้วเพราะกลิ่นแห่งพระภูษาสำหรับโภคของพระองค์ด้วยว่าภรรยาของข้าพระองค์นี้ไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีปหรือแสงสว่างของไฟนางนั้นย่อมบริโภคนั่งและนอนด้วยแสงสว่างของแก้วมณีเท่านั้นส่วนสมมุติเทพคงจกประทับนั่งด้วยแสงสว่างแห่งดวงประทีป นะพระราชาเองต้องใช้เขาจุดไฟนะนางไม่เคยนางมีแต่แก้วลูกเบลเลอรเบวางไว้ทั่วหมดไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไฟอะไรทั้งสิน้นเพราะนั้นนางก็ไม่เคยไงไม่เคยไอ้ควันไฟเนี่ยไม่เคยปรากฏแก่ชีวิตของนางเลยไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้าเพราะนั้นพระราชาเมื่อทราบมีงก็บอกอ๋อถูกแล้วท่านเศรษฐีเป็นอย่างนั้นแหละ ท่านเศรษฐีกลับทูลว่าข้าแต่สมุดเทพถ้าเช่นนั้นจำเดิมแต่วันนี้ขอพระองค์จงประทับนั่งด้วยแสงสว่างแห่งแก้วมณีแล้วถวายแก้วมณีอันหาข่าไม่ได้ใหญ่ประมาณเท่าผลแตงโมเาพระราชาเอาไปใช้ต่อไปจะได้ไม่ต้อง <c oughs> มายควันออกมาลบกวรลู ก, กตากันอีกนะนี่เศรษฐีใจปั้มอย่างนี้มีไหมเนี่ยนะหายากนะหายากถวายเท่าผลแตงโมไปเลย พระราชานี่ไม่อยากได้หรอกนะเพราะพระราชาก็เป็นพระโสดาบันนะคงไม่ต้องการนะทรับสมบัติอย่างนี้หรอกมีทรัพย์สมบัติยิ่งกว่าพระราชาได้ทอดพระเนตรเรือนแล้วจัดว่าสมบัติของโชติกะมากจริงแล้วได้เสด็จไปนะพระราชายังต้องชมบว่าสมบัติของโชติกะเศรษฐีนี่มากจริงๆมากกว่าเราอ่ะ อันนี้เป็นเรื่องการเกิดขึ้นของท่านโชติกะซึ่งต่อไปจะบวชนะต่อไปจะไปบวชเกิดขึ้นก่อนต่อไปมีเรื่องของพระอีกองค์หนึ่งชื่ อ, อพระชะดินละชัดินชัดินนะต่อไปนี้เป็นเรื่องการอุบัติเกิดขึ้นของพระเถระชื่อชาดิละ มีเรื่องพิศดารว่าในกรุงพาราณสีมีทิดาของเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้มีรูปสวยมารดาบิดาให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อต้องการปกปักรักษานางไว้นางมีอายุราว 15-16 ปีก็อยู่ในห้องอันมีสิริบนพื้นชั้นบนแห่งปราสาทเจ็ชั้น